หรือการที่ได้กินน้ําสักแก้วน้ําธรรมดานี่แหละมันก็ประเสริฐแล้วแต่ก่อนไม่เห็นความสุขจากการที่กินน้ําธรรมดานะไปเห็นว่าต้องกินน้ําอัดลมต้องกินกาแฟอย่างดีถึงจะมีความสุขกินน้ําธรรมดาไม่ไม่เป็นสุขอันนี้ไม่รู้เลยว่าเพียงแค่การที่มันดับกระหายนี่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งซึ่งมีค่ามาก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 มมั่วมันก็ออกลูกอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นไม่สนใจเพราะคอยหา Apple, แอปเปิลเมืแหละมันจะออกมาสักทีเมื่อไรแอปเปิล Apple จะออกมาสักทีเวลาเราคาดหวังอะไรสักอย่างนี้นบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากําลังกระทำอย่างปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยผลที่ออกมาคือสติในแต่ละขณะที่เรารู้ตัวสติก็จเจริญงอกงามอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นสติหมอมเมินสติที่กำลังงอกงามไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เพราะไปคาดหวังว่า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 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือว่าปรับมุมมองหรือทัศนคติเสมม้มใหม่เพราะถ้าเราไม่มองไม่เห็นเนี่ยเราจะละทิ้งสิ่งทลมีอย่างน่าเสียดายพระรูปเจ้าตรัสว่าเนี่ยท่าที่ต่อความสุขก็คือว่าหนึ่งไม่ไม่หาทุกมาท่วมทับตนพวกเรานี่ชอบหาทุกมาทำร้ายตัวเองโดยเพราะการฟุ้งซ่านสิ่งไม่ดีผ่านไปแล้วยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็ทุกเอง